พระธรร ม, มเตศนามโหสดจาดกอจอมปราถแห่งวิธีลาภูกีสาวเอ็ดฟังแล้วเกิดพัญญาปัญญาฟาให้ฉลาดเตรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับพืนเมืองโดยป่ออินสมชัยชมพูปเปรียนรรฮกเปรยคนักทมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นาโม阿ตถะ a ะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพธิสัตว h ส p วปริวะเรหิเกวัตตัสสะเกหังกันตวี สาธบูราสะปุริตาตั้งลายตั้งยิงใจหนุ่มเทาอันหนังเฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาดนี้วาโพธิสัตว์สาหาปริวาเรหิดังนี้เป็นตนบัดนี้ได้เตอ โูธที่สัตว์อันว่ามโหสถตนยศใหญ่หนอพระติวัยทารงยานกับปาริวานบนหมู่ก่อไปสู่เกหาแห่งปรโรโฮิตาผู้เท่าคือเกวัดเก้าอาจารย์แลาา้วจะคันเกออุหอมันหูขีญา ว่าจะคือโยธาฤีธมางยังเฮือนใหญ่กว้างตัวมันเพื่อสร้างหอจันภาซ า, าทาวายเต้าที่ราดวิเตหราชาปรหิตาผู้เทาใดยนินเจ้าจะไขมีหัวใจคิวโคตวสูรไร่โหดสามาน กูเป็นปาโรโหิตาจานตันเต้าตนภาบดาวเวียงใจกูจากไปขับไวเสึ่งเต้าไทยบัดเดียวมันก่อเรียวรีพาวไปรอดดาวผางกาคนเตียมตาแห่งเจ้าอันอยู่เฝ้าคันใดก่อเรียวไวห้ามไว บ่ฮือได้ายพันขึ้นหอจันภาคศาสว่าเต้าที่ราชผู้บ้านบ่ฮืออาจารย์อาหมา์ดเรือไผราดเสนาขึ้นไปหาตัานเต้าอยู่บนดาวหอคำมันบ่ฟังคำห้ามขาด ลูกขึ้นภ า, าสัดหอดใจใจเตรียมใจแกว่นใจเอาแสใสสันหลังพอผิวหนังเป็นมาศมันจริงย้ายบาทถอยห่นปอกเคลื่อนตนดานดาวแล้วร่องกาไขาก่กรมวากูจักคํากามาก ปันหนึ่งหากเป็นหมายกันสูนีหายละห่างอย่าได้มั่งเพื่อนกู้จุงไปดูเสาะพอตามตีหม้อแดนไก่ <c oughs> ใจเตรียมใจเก่นใจก่อรับคำไว้สับปัน <c oughs> แล้วปากกันลาภาคออกไปจากเสียไก่ลำดับไปบอกขาด เพื่อ น, นามาตเศรษีก้าบอดีน้อยใหญ่พร้อมเสียงไข่เป็นสายด้วยอุบายหนิไใสหน่อพระติวัยบุญนาโดยคำขาหลายลากเก้ากฎหากเป็นไมายแล้วแสงไปถ้าวายขับไปส่งเต้าไทยจุนลณี ว่าหอเหอนมีหลายหลากผู้ข้าหากไปหันเจ้าของมันม้วนหมู่หากสร้างอยู่อาศัยกันจักไปหลีดมงังเพื่อก่อสร้างหอจันเจ้าของมันน้อยใหญ่ย่อมเดือดไม่เครื่องขีจํำเขานี้ลาผาาออกเสียจากเหอนตน อากุศลเจ้าถอยเตียงจ้องห้อยมาฟ้านขอเต้าผู้บ้านที่รัดอนุญาตปัน่นไม้เออโข้าลลยไปสร้างนอกเมืองกว้างเวี่ยงใจบ่อป่อไก่ลายหลากสองปันว่าหากเป็นทาราขังกงกาแม่ใหญ่ เหนือเมืองเต้าไทยภูมีเต้าจุนละนีที่ราชก่อเกิดขวาดปิจารณาว่าหบในปารานิใส่บอโหไข่หันใส่ว่าเป็นโยธาในเราเต้าหรือสักต่างเดาวพดมาเจ้าปาราจุบอน เตียงเดือดร้อนเครื่องขี่รบหนอกปูรีเมืองใหญ่อันบอกไก่และไก่ย่อมสมใจกูเชื้อสมไฟเอือแปลงปันเจ้าหอจันเกิดแล้วก่อเก่าสึงเจ้านอกแก้วบุญไผย ว่าแม่นเจ้าบุญลายใครสร้างยังพาศาสกวางแดนใดจุงตามใจแห่งเจ้าจักกึดเล่าหันดีนโมนีบุญใหญ่ก็น้อมไหวทุนสาวาขอมหาราชาเจ้าตนเป็นเก้าปุรี อาตยามีห้ามขาดอย่าฮืออามาตรีปนหรือว่าคนหน่อยใหญ่ได้เต้วไตไปไก่ตีผู้ค่าหลายก่อสร้างยังภาศาสตร์กว้างหอใจอย่าฮือไปตีไก่หาผักไม้และลัวอันว่าตัวแห่งฆ่ากลัวไ่ฟ้ารีปน กับต่างคนแห่งเต้าได้ตานกาวเทียงกันเสียงเรื่องนั้นต่อทอยบ่อจืนจ้อยบ้านใจเจ้าเวียงใจถั่วนาจักว่าคานานาซำจักจาตานกาวถึงตัานเต้าบุญภายอันดึงจ้างปังปลายลายหลากอันผูคาหากนำมา หันน้ำกงกาสะอาดไหละลาลาดเย็นใจย่อมเพื้องใจเล่นน้ำตั้งเจ้าคำคืนวันคนจักหันน้ำคุณเป็นมุกมุนดินทรายก่อจากมาทะาวายกมเก้าบอกเต้าเจ้าภูมี ขอเจ้าปูรีเก่าเฮเข้าหูอาการเต้าผู้บ้านจุลนิราตฟังเจ้าน้อยนาดไข่าจาก็สัญญารับได้ดังเจ้าบุญใหญไข่ปั่นและอเรียวปั่นปงขาดฮ อ, อามาต่างตาตีสัญญาเป่าร้องไปไข่หองเวียงใจ ว่าอยากหือคนใดอามาดเรือไผราดยิงใจเตียวไปไก่หรือไก่ตีคนน้อยใหญ่นำนาพุงดางดาแต่งสร้างยังา่าสัดกวางหอใจกันคนใดไปสู่ยังตีอยู่จุมเขา จักไม่เอาเงินมากปันคำหากเป็นธาราอันหนึ่งกงกาจักคุณเป็นมุกมุนดินทรายอย่าเสียดายแต่ละ อ, อจักใส่ดังเก่าเดิมอ่อนคือเจ้านากกอนน้อยใหญ่หูแจ้งไขจูขนคน นอตสาปนยอดซอยใจจื่นจ้อยเจยบ้านก่อป่าปริวานนมเท่าลาเต้าเจ้าจุลณีออกปุรีไปรอถึงตีจอดเสาซาแล้วออพิจารณาก่อสร้างยังบ้านกวางชือตะกะลีกาม ีเปียงงามกว้างใหญ่มีจิมไก่กงก้าหื้อโยธ า, ามวนโมเข้าจอดอยู่อาศัยตั้งรถใจผ่าเสรอดมาแก้วเลิดเหลือหลายจ้างปังป้ายลายแหล่หื้ออยู่แก่ไปไหนแล้วเรียวไว้กึสั่งยังห่อเจ้าจ้างเมืองตนก็มีฮันและนาะ กันปิดจราราดาเบียนแล้วเจ้าดอแก้วบุญภายก็ฮือโย ท, ท่าไหลไผ่ไตขุดอุโมงใหญ่นำนาจากฟังกงกาแมกวางถึงตีจักสร้างเวียงใจเอาขี้ข่ยไปสัตว์ขวางที่จิมค้างวังทาน คฮือจ้างป้ายสานเหยียบย่ำลงในน้ำเร็วไววน้ำเย็นใสลวดคุณเป็นมุกมุนดินทรายรีปนหลมวลมาคกปั้นหากเป็นธาไลากันมาพร้อมควายคุดอุโงงใหญ่ขึ้นวันนอคุณท่านหยอดซอยเฮือคุดอุโงงหน่อยตววไปจากที่หมยใจจักสร้าง ยังเฮือนกว้างหอจันเปืือภายพันเตี้ยวไตถึงปืนคันใดภาาตดแห่งหอใจภาสตดของเต้าที่ราดภูมิคือเต้าจุลนีหยดย่อตนภาพดาวปาราเอาขี้ขวยมาทมใสสร้างเมืองใหม่เวียงใจ ชุมคนใดไผ่ไตอันคุดอุโมงใหญ่พันพายหากว้างหลายลำหมอกสูงสิบแปดซอกเป็นทารเออบอกฝ่าเมียนไข่เอาแปนใส่ไปบนมีผ้าตูยนอันใหญ่แปดะ้าตูไขเป็นไม้ผ้าตูน้อยหลายเหลือลาก หกสิบสี่หากเป็นธาราพระตูน า, นานาน้อยใหญ่ใสยนไข่เตืองกันไก้หนึ่งอันบอดเจ้าไข่พออนาซับปันไก้แถมอันหนึ่งเหล่าหับดังเก่าบัดเดียวเจ้าตาเขียวยดใหญ่หือตั้งกมไฟไว้เป็นสาสตั้งสองปลายฝั่งข้าง แห่งอุโมงกวางภายในเป็นกลมไฟบ่อน้อยมากกว่าร้อยดีลีใสยยนมีไข่จอต่อไปรอเติมกันไก้หนึ่งอันแต่ใส่ไฟแจ้งไข่บัดเดียวไก้ขึ้นเร็วแถมใหม่ไฟดับไข่จูอั น, อน กว่านันาจันทร์แต่เล่ายนผาญาเจ้าเหลือคนนอตาสะพนตีไว้สร้างห้องน้อยใหญ่ภายในลำดับไปลายลากร้อยเอ็ดหากเป็นธาราปูอาจสะนาจองตังเพื่อเป็นตีนั่งและนอน แห่งเต้าผู้ทอนต่างดาวร้อยเอตเต้าเป็นใยแล้วหือ้อใจผู้ะลาดแต้มรูปนางนาดกันยาดังเตวาดาฝากฝ้าลงแหลงลาลงจูติดผาตัวจูห้องกันบ่เอามือต้องยกสามก็ว่าเป็นนางงามหนุมน่มเนว มาอยู่เฝ้าเห็นกันยังเจ้าหอจันยดเงาตนภาพดาวแดนไก่ฟ้าไายในใหญ่กว้างก็คือจางต่างาแต็มรูปขุนอินตาเตี๋ไทยพรมบุญใหญ่เซวยสี เทวาบุตรมีมากตเต้าเทวดาเฝ้าเป็นปริวานรูปหิมมาปานเหวหาดสูเมรุราดงตันเขาสัต์ตาพันเถือนทมตังแมน้ำสากรพระจันจรต้องพายอาติตย์ย่ายพายพันรูปสวรรค์หกจัน แลที่สั้นงามตาแต่จาตุมมหาราชิกาเป็นเก้าทาราบต่อเต้าปารณนิมมิตาวสวัสดีหน่อมูนีบุญใหญ่เือแต่ไขจูผัการหอยดวงบ้านหลายสิ่งกันถ้าหญิงนานาตามหิมฝาสองข้าง ต่างแยวอย่างผ่านภายฮอเฮอาร้ายสะอาดมาเจือลาดดูงามกาะมีหั่นและนะส่วนโยธาใหญ่น้อยมีสามร้อยเป็นธารามีพระญาชาลาดมีอนันตามาตเป็นพาทาน เขาดงด้านป่าไม้แปลงเฮือนใหญ่นาวากาณาบ่อน้อยได้สามร้อยเป็นไม้แปลงเครื่องเฮือนลายพร้อมไข่ใส่เฮือนใหญ่จูลลำจากดงดำเถื่อนทองทอลอย่องลงมาถึงตีเสาสายังจอดแห่งเจ้าน้อยยอดตนคิงเล่า ก่อคนเอาเขื่องไม้จากเขื่อนใหญ่เรียวไว้เอาเขื่อไปสุขสนไว้ตีบอลไก่ตาหน่อปุทธาบุญกวางก่อหือสร้างหอจันด้วยเรียวปั้นรีภาวเปื่อถวายเต้าวิเทหราา ย้อนเครื่องนานาะทวนนาดามาจากป่าไพรสนฮือรีปน้นไผ่ไตสร้างกำาแป้งใหญ่เวียงใจสูงเหลือใจลำหมอกสิบแปดซอกเป็นธาราสีเดือนมาครอบไขกิจจาน้อยใหญ่จูภากาด ก่อปริญโยสารสุดยอดคือเบียนจอดดีงามจริงใส่น้ำเวียดไว้ว่าเมืองไม่อุ ป, ปากาละปุรีนอมนิตนองอาจก็อหืออใจผู้ชาลาเตรียมใจรีเปลวไว้น้ำข่าวไปไว้เต้าวิเทหาราากอมีหันแลนา มารทังประกาศซนโตสัทธาศาาสัทธาสัพ ป, ปัญญูยอดจ้อยหันบาดถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเตสานาวาโพธิสัตตนักรังมาเป็ดปาดังนี้เป็นตน เขกาเวดุราพีโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยาเจ้าลูกสิทธกาโอพระตนสาปนส่วนมโหสตตนหนุมเนาหนอพระเจ้ายอดมูนีกันสร้างปุรีเมืองใหม่เบียนพร้อมไขจูพาการก็ส่งข่าวสารไปรอด เต้าเจ้ายอดวิเตหาราาว่าบัตนีนาเมืองใหม่เสร็จเมีนยนไข้ดังมมยขอเจ้าบุญภายทีิราชนำนักผาตอาจารย์เสนาหาันวนมากออกไปจากมิทิลาเปื่อนำราชทิดาหยดยาวแห่งตันเต้าจุลนี มาเป็นเตวีรวมซ้อนอยู่ในบ่ลพางกาส่วนพาญาวิเตหาราชหูแจ้งขวาดลายสานมีใจบ้านลายหลากดังคนตุกยากอนาถาได้คำขาก่าใหญ่ต้านยื่นใส่เต็มบุ้งหัวบอกกุ้งจันฟ้านยนังข้างฝ่ามือเดียว จิงฮือเรวร้องเปล่าไปไข่ดาวเวียงใจฮือเสนาในน้อยใหญ่มาพร้อมไข่เรียวปัน่นเสียงกองดันมีกองพับไข่ห้องปารากันเสนามวลหมู่ ม, มาพร้อมอยู่บัวระมวล กาละกวรบาร์าอต้าเจ้ายอดปา ร, รากอยกเซนามาตั้งนักผาาอาจารย์โยธาหารหลาลากออกไปจากเวียงใจกันว่าไปรอดไกลตีเบืองใหม่อุ ป, ปการะพุรีนอมูนีน้อยอ่อนก็มารับตอนบัดเดียว แล้วรีเปรียวนำเต้าเข้าสู่ดาวปุรีหือพระภูมียศใหญ่ขึ้นพาสัตใหม่งามตาเผืือกเสาซานยังจอดหื้อหิวหอดไม้หายก็มีฮันและนา ส่วนพญาวิเทหาราตังอาบา์โยธาใดเสาวซายัางย่อนอิทนอื่อเมื่อยอ่อนหายห้นก่อคือคนแก่นใจรีบแต็มใสลายสานถึงเต้าผู้บ้านจุลนีราชเจ้าภาษาสอุตรปัญจาลนกร ว่าข้าได้เตียวจอมารอดได้ยังจอดสาวสาในปา ร, ราเมืองใหม่ขอน้อมใบสองตีนแห่งพระผู้มดเนืน้อตนภาพดาวเวียงใจเพื่อนำสายใจนอเนาไปเป็นเก้าเตวีขอพระผู้มีเ ย, ย้ใหญ่นำนางนาไทายไปปัน ยกยืนปันข้าน้อยตามดังทอยเดิมอ้อนอันว่าเต้าผู้ทอนบิเตหราชเจ้าภาสาตมิทิลามีวัยยาแก่เทากวรเป็นป่อเต้าเจ้าจุลนีย้อนใจกาลีบอดใบตกอยู่ใต้ตันหากอปิจารณากิดสอด ว่าเราเป็นยอดเคยเมืองแม่นเต้าบุญเรื่องเจ้าฟ้าปอนังนอลาใสาใจจักมีไวหนุ่มเนา่า <c oughs> ก็กวนกมเก่าวันตากันพิจารณาเกิดไข่จริงเฮอแต้มใส่ลายสารว่าขอไว้ตินผู้บ้านแตนเต้า ตนภาพดาวเวียงใจบอกค่านิ่งในปยหนาว่าตาันจักค่าตัวตายเต้ากึใหม่ใครใดนางดาทไทยโสภากันคนต่างตาแว่นใจเต็มเวียนไข่าลายสารก่อฮือตูตาการรีพาวนำไปถวายเต้าจุนลนีก็มีหันและนา ส่วนพาทยาจุลนินยดใหญ่หัวแจงไขไลยสาลมีใจบ้านจืนยาวว่าบัณฑิตา ว, วิเทหราา <c oughs> ได้ไก่กามารอเตียงบวยหมอดบําไายกูข้านิ่งใหมย่ยกิดไห้เตียงสมไฟกิตานาจากเอโยธาอากา ยบเจ้าฝ้าผู้มีกันเสนาอบอดีผู้ะลาดมาฝักฝาแต่งฟันเอเขามันตั้งกูได้หมูบหมูม่บำไวยจิ่งแสงอู่ยบก่าวถอยด้วยกำอ่อนอ้อยวนยัยว่าเจ้าห่อใจหยดใหญ่ามารอดไกเมืองเราเผื่อขอเอาลูกเตา้า ไปเป็นเก้าเตวีเรายินดีหลายหลากบอฮือภาคสูญหายคือจักถาวายลูกน้อยแก่เต้ายอดซอยแดนไก่ตันจุงไปทำเหล่าส่งมอเทาโหราวัานยำได้จาวิเศษกวรฝันน้อยเนตรนารี กันโหราบอดีก่าวเฮอได้หูขีญาจุงปอกมาต้านก่าวเือหูข่าวบัดเดียวเราจากเรียวบจ่จ้าทรงนางนอลาไปปั่นแล้วตกรางวัลไล่แลลยืนปั่นแกตัวตาการแสงจาวันต่อทอย มีบ่อน้อยดานาคนต่างตาแก่นใจก็รีบมาไวคขปันเอเจ้าหอดจันวิเตหาราชหูแจ้งขวดัดขีญยาตจ้าก็จะทำเล่าซึ่งหมอเทหรามันก่อทุนสากมเกา่าว่าคาแดเต้าเจ้าปาราวาวันนี้นะายมคำ แม่นพอมพอมยามดีเต้ากอกไขาวาติปงขาดเฮ อ, อามาต่างตาไปทุนสาขับไว้บอกเต้าไทยจุลนีไขาวาติกาวจี้ือแจ้งทียามวันเจ้าหอจันจุลนีราดก็บอกอามาต่างตา ว่าถึงเวลามารอเราจกทรงยอดนารีขอเต้าผู้มีวิเตหาราชอยู่ภาสาตรราคนต่างตาผู้แก่นก็รีบแลนขึ้นหลัง่าบอกยังเงินเก้าแก่เต้าเจ้าวิเตหาราาก็มีฮันและนาะ ส่วนพาดยาจุลานิราตผู้หาหาดจังไรก็เรียวไว้ร่องเป่าร้อยเอตเต้านานาตั้งโยธามวนโมมาพอมอยู่บัดเดียวแล้วาจะเล็วเกาว่าอือได้หูความในว่าเราจกไปรีภาวตัดขอเต้าวิเตหราา กับพุนต่างตาผู้ฉลาดคือมโหสถนักพาเิชยโบดีรเฮดับอินทีมวยหมอดบอกห้อรอดนานไปกันสมใจเกิดเล่าจากเลี้ยงเขาเล่าใจญาบานแล้วนำโยธาหมนวนมากออกไปจากปุรี นางชะลากาเตวีผู้เทาอันเป็นแม่เจ้ามานดาจือสุนันตางามอาจอังการามเฮซีปัญจาละจันทีลูกลากับนางแวนฟ้าปัญจาลจันทีสี่คนมีคบไคว่เฮ อ, อยู่ห้องใหญ่จอมกัน เือนางกำนั้นมเทาอยู่แวดเฝ้าเป็นปริวานสว่วนรอปุถิญานยดใหญ่ก็เฮ่ตาวไทยวิเตหราชาตั้งโยธามวลหมกขอันอยู่ภายในสำรานใจมักเต้าด้วยเขาเลาอาหารเฮอสำรานมวลเล่นบ่อได้เวนอันใด องมาไกหิวหอดกอยังจอดสาวนอนส่วนเต้าผู้ทอนวิเตหาราชกับสีนักผาาอาจารย์มีใจบ้านจื่สูนั่งท่าอยู่รอราวาพาญาจุลนิราตังอามาตคนในจักนำสาสใจลูกน้อย งามจื่จ้อยดังสาวสาววันมายกปันกูเต้าตนภาพดาวปุรีในรอยทีนี่ไสดังว่าไว้เป็นธราบอไก่กาวิว่างเตียงสมไฟอ่างคานิงในส่วนเจ้าหอใจจุลนีราชผู้ห้าวหาดฟาลา นำโยธาไปรอถึงีเต้ายยอดวิเตหาราชก้องโยธาหน่อยใหญ่แวดลอมไว้จู่ายจีกมไฟลหลเรือหลากนับแล้วหาปอแสนพับดินแดนแจ้งส่องหันจูห้องอาณา จุมโยธาโหร้องสานานกองดินดานจังฝลายสันร้องเสนมาหิเห็นนันเนืองส่วนว่าตนบุญเรื่องนมหนาดอพระเจ้าทารงยานรู้ว่าเต้าผู้บานจุลนิราชใจห้าหาดปาลา ยกโยธาไฟไตามาล้อมไว้จูปายก็รีบไม้ปงขาดหผู้ฉลาด ต, าต่างตากันานาลายลากสามปัญหาเป็นไม้ว่าสูตตั้งลายมวลมูรีบลงสูอุโมงไปรอดคงภาษาแห่งเต้าที่ราชจุลนีนำนางเทวีหนุ่มเนา ตั้งแม่เจ้าพระาราชาบุตตาโอรสราชและนางนาฏปัญจาลจันทีสี่คนมีคบไห่นำมาหือใดสับปันขังเขามันนั่นไว้ในห้องใหญ่อูโมงเราจักลงไปพอ่อหื้แจ้งต่อตาตน จุมหมคูคนผูจ้าลาดฟังเจ้าน้อยนาดไข่ปั่นก็เรียววันเรียวปั่นไว้วหวงลงสู่จองอุโมงถึงหอโคงภาษา <c oughs> แห่งต้าทีราชจุลนีหันคนมีดุ่มเท้าอันอยู่เฝ้าหอใจก่อเรียวไว้มัดไห้หมดเสียงไข่บัดเดียว และอรีเเร็เตียวต้องเข้าสู่ห้องหออในแสงจะไขกลมเกาว่าบัดนี้เต้าเจ้าจุลณีข้าเสนาบดีนักผาดกับเต้าที่ราชวิเตหราชาตั้งสองขามุกมู่ตายจอมอยู่ต้วกัน ตนเจ้าจันเจ้าฟ้าจริงใจตุ้ามาไว้ขอใส่ใจแม่เจ้าตั้งดอนเนตีวิบุตตาบุตติรวมเฮาไปรวมตันตาโอหอใจขอเรียวไว้อย่าจะไปจอมตุคาตั้งลาย สีเจ้าหมายเป็นแก่นกอริแพลนดีลีต่างยินดีจืนเยาาลงจากดาวห่อใจถึงตีนคันใดภาษาตวอันพูชาลาต่างตาก็ฮือไก่กาไหวว่องลงสู่จ่องอุโมงอันขุดลงต่ำไต แล้วเตียวไตตัวไปสี่เจ้าสงสัยลายหลากจริงออกปากจะทำว่าตั้งเพียงงามนี่ใสบอกเกยหันแต่ไทยเดิมมาสันได้เจ้าสู่เจ้าหูไตเต้าผ่านพายจุมคนใจแก่นใจแสงขับไม่ทุนสาว่าตั้งที่นะหน้าหักสน มาแต่ก่อนเมื่อหลายจักพันพายเตียวไตเมื่อมังก ะ, ะใหญ่มีมาใจต่างตาหนุ่มเท่าพ่องป้าสีเจ้าไปปั่นพ่องพายพันปิกปอกวายหน้าออกขึ้นหลังคือปอกไปยังภาสาตดแห่งเต้าที่ราชจุนลนี แก้วแสงมีลายหลากเงินคำากทมนาต่างของนานาน้าใหญ่ลอนเสียงไขว่จูอันอันแล้วปะกันบุบต่อยยังของใหญ่น้อยนานาเอือเพทาแตกมัางบ่อล่อขังอันใดแล้วเรียวไวใ้ใ่ายบาดจากภาษาดหอโคงลงอุโมงต่ำไต ฮับผตุไว้สับ ป, ปันรีภายพันจอมูเพื่อปอกสูแดนตนก็มีวันนั้นแหละนานิดที่ตั้งขีญาสังวันนานาวีเศษจาห้องเหตุมะโหสดผูกสาวเอ็ดก่อบังกมสมฤตเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนและ